ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่ห8สบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง mp สามแผ่นที่ห8สให้คติธรรมหัวข้อว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เท่าไม่นับว่า เป็นลูกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสาหรับพวกเราในฐานะลูกๆทั้งหลายให้มองตอนเองไว้อยู่เสมอว่าเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากท่านผู้ใดใครเป็นผู้ให้กําเนิดที่พวกเราเกิดมาพวกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้ เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาภาวะจนเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงขนาดนี้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วท่านก็แก่เท่าเออชลาเป็นธรรมดาของสังขารในเมื่อท่านแก่เท่าแล้วลูกๆทั้งหลายไม่ให้ความสนใจไม่ให้การดูแลพ่อแม่อันนั้นนับว่าไม่ใช่ลูกเออ เป็นอะไรมาเกิดด้วยก็ไม่รู้ไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักพักคุณของพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลระพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตรที่ดีในหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจา้า พราะพระเดชเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปเราในฐานะลูกหญิงชายก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลลํำลึกถึงพระคุณของท่านเพราะว่าร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเมื่อท่านพ่อแม่ล่วงลับไปมรดกของท่านก็ยังอยู่กับเราเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธบริษัททุกหมูเ่เหล่าถ้าพวกเรา เป็นพุทธบริษัทเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะสำนึกถึงพระคุณของบิดามารดาคือคุณพ่อคุณแม่ของตนเองไว้ให้มากเมื่อท่านเฒ่าแก่ชราแล้วพวกเราควรจะช่วยเหลือท่านได้อย่างไรด้วยปัจจัยสี่ด้วยการดูแลให้กำลังใจหรือไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนท่าน เ่เพราะท่านอายุมากแล้วเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาจะช่วยกันดูแลพ่อแม่ของตนเองเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราพุทธศาสนาชนพุทธบริษัททุกหมู่ทุกเหล่าด้วยด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนนาฏรายพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราจงร่ำรวยโชคดีปราดธนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเทิน